พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสองพระสูตรที่ส6ิบหกมหาธรรมะสมาทานณสูตรสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามตรัสถามภิกสูต์ทั้งหลายว่าโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความใคร่ความพอใจความประสงค์ให้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเสื่อมไป ให้สิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกร้น่าพอใ จ, จเจริญยิ่งแต่ทั้งที่ประสงค์อย่างนั้นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นก็จเจริญยิ่งสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นก็เสื่อมไปทั้งนี้เพราะอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเองพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่รู้ธรรมะที่ควรเสพไม่ควรเสพควรคบไม่ค ว, ควครบ ค, วครบเมื่อไม่รู้จึงเสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควครเสพคบธคครรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรร ม, มะที่ควครคบเมื่อ <Tracy> <inya> เป็นเช่นนี้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญยิ่งสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเสื่อมไป ทั้งนี้เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้ไม่รู้คือผู้ไม่ฉลาดส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับรู้และทำในทางที่ตรงกันข้ามจึงได้รับผลดีเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้รู้คือผู้ฉลาดตรัสถึงการสมาทานธรรมะสี่อย่างดังในสูตรก่อนเป็นแต่เรียงลำดับใหม่ดังนี้หนึ่ง มีทุกในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากต่อไปสองมีสุขในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากต่อไปสามมีทุกในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปสี่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไป รัตอธิบายในตอนแรกโดยชีย้ความสําคัญไปที่ความไม่รู้หรือความรู้ถ้าไม่รู้การสมาทานธรรมะทั้งสี่อย่างตามเป็นจริงก็เป็นเหตุให้เสพสิ่งนั้นไม่เว้นสิ่งนั้นในทางที่ผิดทำให้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร้ไม่น่าพอใจเจริญขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเสื่อมไป แล้วส่งแสดงว่าการรู้การสมทานธรรมะทั้งสี่อย่างตามเป็นจริงก็จะเป็นเหตุให้ไม่เสพสิ่งนั้นอันเป็นทางถูกทำให้ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาเป็นต้นจเจริญขึ้นตรัสอธิบายถึงการสมทานธรรมะทั้งสี่ข้อทีละข้ออีกโดยชี้ว่าหนึ่ง การสมทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันมีทุกขเป็นวิบากต่อไปคือประพฤติ ช, ชั่วหรืออกุศุลกรรมบทสิบอย่างมีทุกข์คือไม่สบายกายมีโทมนัตไม่สบายใจเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรก 2. การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีทุกขเป็นวิบากต่อไป คือประพฤติ ช, ชั่วยังมีสุขสบายกายมีโสมนัสสบายใจเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายเป็นต้น 3. การสมทานธรรมะที่มีทุกในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปคือเว้นจากความชั่วยังมีทุกโทมนัสเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์สี่ การสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปคือเว้นจากความชั่วยังมีสุขสมบนัดเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรัดเปรียบข้อแรกด้วยกระโหลกน้ำเต้าขมที่เราคนยาพิษดื่มและทำให้ตายหรือปางตายข้อที่สองด้วยขันน้ำดื่มทำด้วยสมฤตมีสีกลิ่นดี แต่ละคนยาพิษดื่มและทําให้ตายหรือปางตายข้อที่สามด้วยน้ำมูดเน่าผสมด้วยยาต่างๆคนเป็นโรคผอมเหลืองดื่มแล้วทําให้เป็นสุกได้ข้อที่สี่เปรียบด้วยนมส้มน้ำพึ่งเนยใสน้ำอ้อยละคนเข้าด้วยกันคนเป็นโรคโลงโลหิต ด, ดื่มแล้วเป็นสุกได้ ตรั ส, สรุปในที่สุดว่าการสมทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากต่อไปย่อมรุ่งเรืองรุ่งโรธเหนือสมณะพราหมณ์ผู้มีวาทะอื่นเป็นอันมากเหมือนดวงอาทิตย์ในฤ ด, ดูศาสตร์ในเดือนท้ายพรรษาเมื่อหมดฝนรุ่งเรืองรุ่งโรธเหนือความมืดทั้งปวงที่มีอยู่ในอากาศฉะนั้น